ทีนี้เนี่ยนโยมอาจจะนั่งขัดสมาธินะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเคยมีชาวขเขมรแกมาที่วัดแก ต, ตกใจนะเห็นคารวะญาโยมนี่นั่งขัดสมาธิแทนที่จะนั่งพับเพียบต่อหน้าพระเพราะแเห็นว่าการนั่งขัดสมาธินี้ไม่สุภาพนะต้องนั่งพับเพียบนะมาแล้วตกใจนะ หาว่าคนไทยนี่ไม่สุภาพเลยนะในขณะที่ฝรั่งเนี่ยเวลาเขายืนานาย่นเท้านั่งแล้วเขายื่นเท้ามาที่หน้าเรานะเข้าจุศเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าเราถือว่าเขาไม่สุภาพนะนั่งแล้วมายื่นเท้ามาที่หน้าเราหรือว่าหน้าผู้ทูลรูปนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องประเพณีนะนะทางภาษาพาุว่าเป็นเรื่องของสมมุติที่ต่างกัน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 แต่พอเราสร้างเสร็จนะทางมันกำกับเราแล้วเราไปทางไหนอยู่ที่มันแล้วนะทีแรกเนี่ยทางจะไปไหนเนี่ยจะขึ้นเหนือลงใตอ้อยู่ที่เราแต่พอสร้างเสร็จนะเราต้องเดินตามมันแล้วนะสมมุติก็เหมือนกันนะเราทางพระยศาสตร์ไหนท่านจะเน้นมากนะว่าความเข้าใจเรื่องสมมุตินี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีเพราะมงานนี่เราจะหลงสมมุตินะสิ่งเดียวกันนี่